แ่ยังคงมีชีวิตอยู่แต่ก็ชาราภาพมากแล้วเวลามาวัดแกจะค้ำด้วยเม้เามาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งต้องพักถึงห้าหนุนทั้งท้งที่บ้านของคุณยายก็อยู่ไม่ไกลจากวัดนักคือประมาณสิบเส้นกว่าคุณยายแกสงสารหลานชายซึ่งเคยอุปถากท่านอาจารย์มั่นมาก่อน